3ามสิบพระสามาเทรีภิกษุณีผู้เป็นพระสหายรักของพระนางสามาวดีชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลขหบดีกรุงโกสัมพีมีชื่อว่าสามานางรู้ความแล้วได้เป็นสหายรักของอุบาสิกาสามาวดีพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนที่ถูกนางมาคันธิยาออกอุบายให้ฆ่าด้วยการเผาเรือน เมื่ออุบาสิกาสามาวดีตายนางสามาเกิดความสังเวทออกบวชครั้นบวชแล้วไม่อาจบรรเทาความโศกที่เกิดขึ้นเพราะนึกถึงอุบาสิกาสามาวดีได้จึงไม่อาจบรรลุอริยมรรคได้การต่อมานางได้ฟังโอวาทของพระ อ, อนนทเทระในศาลาแห่งหนึ่งจึงเริ่มตั้งวิปัสสนาไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายในวันที่เจ็ดนับจากฟังโอวาทครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านได้พิจารณาข้อวัดปฏิบัติของตนแล้วได้กล่าวสองคาถาเป็นอุทานว่าเราบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้จึงไม่ได้ความสงบต้องเข้าออกจากวิหารถึงสี่ครั้งห้าครั้งเรานั้นถอนตัณหาขึ้นแล้วในคืนที่แปด จากวันที่ได้รับโอวาทของพระอนนท์ทเถระเราถูกความทุกข์เป็นอันมากกระทบแล้วจึงยินดีแล้วในความไม่ประมาทบรรลุความสิ้นตัณหาได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคาถานั้นมีอธิบายว่าพระเถรีเจริญวิปัสสนาอยู่ในวิหารแต่ไม่อาจทำมรรคให้เกิดขึ้นได้จึงเข้าวิหารและออกวิหารรวมก้าครั้ง เพราะท่านมีความเพียรมากเกินไปจนราตรีที่แปดจึงปรับความเพียรให้สม่ำเสมอและบรรลุพระอรหัตได้